ผ่านมาหนึ่งวันเข้าใจวิธีปฏิบัติมากขึ้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากถ้ารู้สึกว่ายากแสดงว่ายัางไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> นะหลักการง่ายๆเลยนะคือภาวนาของเราเนี่ยจะมีอยู่สองแบบ อย่างที่พูดถึงเมื่อวานน่ะนะสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาเนี่ยทำเพื่อให้ใจสงบวิปัสนาภาวนาทําเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งแล้วคอร์สเนี่ยอยากจะให้เน้นไปถึงวิปัสนาทําไมต้องให้เน้นถึงวิปัสนาเพราะว่าสมถะเนี่ยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติมาก็ เขาก็มีกันอยู่ประจำโลกนี้อยู่แล้วหรือสีทั้งหลายหรือศาสนาอื่นเขาก็สอนให้สงบใจได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นก็คือตัววิปัสสนากรรมฐานตัวนี้ไม่มีในศาสนาอื่นคือถ้าทำวิปัสสนาได้จะถึงเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ แต่ทำความสงบได้เนะี่ยสงบก็เป็นการปรุงแต่งทางจิตอย่างหนึ่งเอาจิตไปอยู่ในในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสงบแล้วมีเกิดก็มีดับถ้าใครฝึกอยู่แค่สรรมถะนะก็จะทำทำความสงบได้ติดใจในความสุขจากความสงบนั้นแล้วพอหมดกําลังของการทำสมาธิอ น, นันแล้วออกมาก็ฟุ้งซ่านใหม่ถ้าอยู่แค่นี้นะ ก็สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างแล้วก็เข้าใจว่าที่ฟุง้งซ่านชักมีปัญหาและต้องไปหาที่ทำความสงบอยู่บ้านชักไม่ได้แล้วต้องไปอยู่วัดอยู่เมืองชักไม่ได้แล้วต้องไปเข้าป่าประมาณอย่างมันก็เลยไม่ไม่สามารถอยู่กับโลกแบบปกติได้จะต้องหาที่วิเวกแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธการทำสมถะสมถะ แต่ว่าทําแล้วต้องเป็นบันไดต่อเนื่องไปให้ได้ถึงปัญญาอันนั้นพระุจ้าก็ไม่ปฏิเสธคือสอนทั้งสองอย่างใครที่ฟุ้งซ่านมากให้ทําความสงบก่อนใครที่กิเลสมากๆให้ทําความสงบก่อนก็ได้อย่างที่ถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเกิดโกรธมากๆจะไปทําผิดศีลเขาละคือจะไปด่าเขาหรือจะไปตบเขาจะไปฆ่าเขาเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยใจไม่พร้อมพอที่จะมาเจริญวิปัสนาคือสู้กิเลสไม่ไหวแล้วกิเลสแรงขนาดที่จะไปทำลายเขาแล้วเนี่ยยังไม่เห็นให้ทําสมถะให้สงบก่อนพอสงบได้แล้วจิตใจสงบลงแล้วนะเห็นหน้าเข้าหมาโกรธใหม่ไอ้โกรธใหม่เขาเนี่ยมันไม่แรงเท่าไอ้ตอนที่ก่อนจะสงบพอมันไม่แรงเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะมาทําวิปัสนา แต่ถ้าเราไม่เคยรู้วิธีทำวิปัสสนาเลยเนะี่ยเราก็มวัวแต่งิกิเลสแล้วก็ปลอบมันมีกิเลสก็ตบหัวตัวเองประมาณอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เกิดความเข้าใจสัทีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมเ่เข้าใจสัทีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่เข้าใจสัทีว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดมาไม่ได้เกิดลอยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ ความเข้าใจอย่างนี้ไม่เกิดเลยถ้าเกิดมัวแต่ว่ามีกิเลสแล้วก็หาอะไรมากดมันไว้มีกิเลสแล้วก็หาอะไรมาอธิบายมันว่าอย่าทําอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องปรุงแต่งอะไรในใจสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะกดอกิเลสนี้ไปหรือว่าจะปัดกิเลสนี้ออกไปถ้าทําอยู่อย่างนี้นะไม่เข้าใจสักทีเพราะสิ่งที่จะให้เกิดปัญญาในพุทธศาสนาแท้ๆจริงเนี่ยก็คือว่า เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกในที่นี้ไม่ใช่เป็นทุกข์เขเวทนาคือลักษณะของความเป็นทุกข์คืออยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์